ญาติกาณนั้นจะสังฆโหการสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติแต่ว่าตามไม่จริงญาติถ้าหากว่าเป็นที่เข้าใจกันเป็นที่เข้าใจกันมีเมตตาต่อกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่แก่งแย่งกันไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกันเห็นการมีเมตตาต่อกันอันนั้นแปลว่าญาติที่ดีมีน้ำใจต่อกันมังคงจะเป็น ผลมาจากอดีตชาติที่เกิดมาแล้วก็มาพบมาเจอกันมาถือเห็นกันแล้วก็รักชอบพอใจในญาติพี่น้องแต่บางคนพอเกิดมาแล้วเหมือนกับมาผิดที่ผิดทางญาติพี่น้องแต่และคนพอมาเกิดมาแล้วก็ไม่เข้าใจกันมีตั้งเยอะแยะไปเป็นอริเป็นศัตรูกันมีอะไรก็ไม่ยอมฟังกันนะ ในหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิสสะประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง้าว่าเป็นญาติก็จริงอยู่แต่ว่าหาความคุ้นเคยไม่ได้หาความไว้บางใจไม่ได้ก็เหมือนไม่ใช่ญาติแต่ถ้าคนไกลเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่พอมาเจอกันก็รักกันเมตตากันไว้เนื้อเชื่อใจกันเกื้อกูลหนุนกันขาดตกบกพร่องช่วยกัน อันนี้เป็นว่าวิชาสปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งยิ่งกว่าญาติเหมืนั้นถ้าว่าไม่ใช่อยู่ไกลกันแต่ว่ามีความเมตตาการเข้าใจกันรักสงเคราะห์อนุเคราะห์กันถึงจะไม่ใช่ญาติก็เหมือนกับญาติยิ่งกว่าญาติแต่ถ้าว่าถึงจะเป็นญาติก็เธอเกิดมาท้องพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าหาความไว้วางใจกันไม่ได้เป็นญาติแต่เหมือนไม่ใช่ญาติ เพื่อเปยยังเป็นอริเป็นศัตรูกันอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านบอกไว้มาพิจารณาตามเนื้อหาสาระแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นใครอยู่ น, นัาสัานาไหนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นวงศาคณาญาติกันจะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องคิดนะต้องคิด แตสมัยเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนะี่ยไม่เป็นไรเอเพราะว่าทุกคนมีจุดยืนคือร่มโพร่มใส่พ่อแม่ที่เป็นผู้เป็นผู้บอกกล่าวเท่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดทําให้หมู่พี่น้องเสีย อ, อกเสียใจนะเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นผู้โน้มน้าว เ, เป็นผู้บอกกล่าวเพราะพ่อแม่เป็นกล่าวใจของลูกทุกคนแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่ท่งนะ เราต้องระวังเพราะเหตุใดเพราะว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนอเราต้องระวังคำพูดระวังการกระทําที่อยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าว่าพวกเราพ่อแม่ก็เหมือนกันนะทีนีถ้าว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ให้ความเมตตารักเมตตาลูกแต่ว่าถ้าว่าเผื่อเขาไปมีครอบครัวแล้ว มีสามีมีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกแล้วจะมาพูดอย่างเก่าเหมือนกับอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กับพ่อกับแมนะ่ไม่ได้นะทมันก็แปลกเหมือนกันพ่อแม่ก็จะถืออีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องระวยงระวงังแต่ถ้าว่าลูกอยู่กับพ่อกับแม่ถึงจะมีอายุมากพ่อแม่ก็ยังให้ความเมตตาถึงจะพูดถูกบ้างผิดบ้างทาให้พ่อแม่เสียใจบ้างพ่อแม่ก็ยินดี ให้อภัยแต่ถ้ามาลูกคนใดไปมีครอบครัวแล้วอกลับมาหาพ่อแม่เนี่ยทําเหมือนสมัยก่อนพูดอะไรจาบจ้วงนรืขาดความเคารพพ่อแม่จะถือนะจ๊ะเนี่ยถือว่างัานเถะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ในโลกนะต้องระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่อย่างเนี่ยอย่างโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยแต่หลวงพ่อเองก็ออกมาจากพ่อแม่แต่สมัยเป็นเด็กเหมือนกันนะ อายุสิปีออกจากครอบครัวมาอยู่วัดน่ยแต่ถึงยังไงก็เถอะยังรู้อยู่ว่าพ่อแม่นี่รักลูกไม่เสมอการถ้าเข า, วาบวางค้นก็ว่าพ่อแม่รักลูกไม่เสมอกันใช่ เ, เราวาอย่ายงนั้นเลยอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ยเรามาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะรักใครท่านจะให้ความเมตตาแก่ใครเป็นสิทธิ์ของท่านไม่ใช่สิทธิ์ของเราท่านจะรักเราท่านเลี้ยงดูเรามาขนาดนี้เราเป็นบุญแล้ว บุญมหาศาลแล้วที่ท่านเลี้ยงดูเรามาขนาดนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขาสองแขนสองสมองหนึ่งของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกกว้างได้แล้วเราพร้อมที่จะบินออกไปสู่โลกกว้างได้แล้วพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาถ้าว่าท่านไม่เลี้ยงเราท่านฆ่าเราแตสมัยแต่เด็กหรือท่านไม่ให้ความ เมตตากับเราเราจะเป็นยังไงเราก็ตายได้ไง่ายๆเหมือนกันแต่บัดนี้ท่านมีเมตตาขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรอีกไอ้อันนี้หลวงพ่อว่านะจากนั้นแตจะให้พ่อแม่เสมอกันรักลูกเสมอกันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เพราะหลวงพ่อเคยพบเคยเจอมาแล้วกับพ่อแม่ของหลวงพ่อเองแต่ท่านก็ไม่ได้มีอะไรท่านก็แบ่งแบ่งอะไรโทษถึงกันหมดแต่ว่าความในใจของท่านเนี่ยเรารู้ว่าท่านรักใคร พ่อคุณแม่ในรักไม่เหมือนกันอีกนะลูกแต่ละคนเนะี่ยอย่างพ่อเนี่ยพ่อในรักพี่ชายคุณโตอ่แล้วก็คนจุดท้องแต่แม่เนี่ยรักลูกสาวคนหนึ่งยมพี่เนะี่ยยมพี่ที่ตรงพ่อไปเยี่ยม โ, โยมแม่รักมากทั้งที่มีลูกสาวทั้งสามคนแต่คุณแม่รักคนนี้มากแล้วก็ลูกชายลูกชายคนจุดท้องเนะี่ยรักเหมือนกันอแต่หลวงพ่อเสียใจไหม แต่สมัยเด็กหลวงพ่อก็คิดคิๆมือนกันเสียใจมือนกันแต่พอได้บวชเป็นพระบวชเป็นเนนเป็นพระหลวงพ่อไม่เสียใจดูเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ฟังว่าไม่ต้องเสียใจนั่ะเป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะต้องรักใครเมตตาใครแต่ท่านเลี้ยงรู้ลงมาขนาดนี้แล้วเป็นพระคุณอย่างยิ่งเราควรเทิดทูนบูชาพระคุณของท่าน แล้วก็เราเองพร้อมที่จะทําคุณงามความดีได้ทุกอย่างอย่าไปทําความชั่วในสิ่งไหนที่มันชั่วชาติเสียหายอย่าทําเพราะเรารู้แล้วเราอยากจะได้อะไรเราหมั่นขยันมีความอดทนใช้สติใช้ปัญญาของเราเท่าที่มีถ้าเรามีบุญวาสนาบารมีในอดีตชาติที่พวกเราได้ทํามาแล้วนัน่นแหะบุญบารมีอันนี้แหละจะเกื้อกูลหนุนเราอีก แต่เราไม่มีบุญในอดีตชาติถึงเราจะทำขนาดไหนก็เถอะมันขยันขนาดไหนก็เถอะบางคนมันขยันเออมันก็พอดีกว่าไม่ขยันเหมืนันนะแต่บางคนไม่ค่อยขยันเท่าไหร่แต่เขาถูกจังหวะในการทำการทางานของเขาให้เข้าสิ่งที่ที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นพลังของเขาเป็นบุญของเขาที่มันได้มา พอเป็นพอไปมีความสุขยิ่งกว่าใครอื่นอีกต่างหากเพราะเห็ุไรถ้าจะว่าไปชาวบ้านเขาก็คงไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรแต่ท่านตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วอันนี้คือบุญบุญมันเป็นพลังเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนแล้วก็พร้อมกันก็เป็นคนขยันมันพร้อมๆนะคนมีปัญญาของคนขยันคนขยันก็ย่อมหาทรัพย์ได้เขารู้จักจังหวะในการหาในการค้นคว้าในการศึกษาในการบำเพ็ญ นี่แหละอันนี้ก็คือบุญกุศลเก่าที่เครื่อกคุณหนุนพวกเราอีกเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกสอนพุทธบริษัทสีของพระองค์ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคนขนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลนี่แหละจะเป็นเครื่องเครื่อกคุณหนุนเกิดพบหน้าชาติหน้ามีพบมีชาติขึ้นมา คุณกุศลเนี่ยก็จับต่อภพต่อชาติแต่บางท่านบางคนพระพุทธเจ้าท่านดูปุเพนิวาสานุจติยานจุตูปปาตยานที่ว่ายานที่ว่าจุตูปปาตยานเนี่ยจุดนี้นะสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแต่เกิดมาชาติทีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดีคนดีรวยอีกต่างหากแต่เกิดมาชาตินี้อีกแต่ว่าชาติทีแล้วถึงจะเป็นเขารวยก็เถ แต่เขาทำกรรมชั่วเลยทำกรรมชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรที่มันเสียหายการพนองการพนันสุรานาลีเขาทำไปหมดสรุปแล้วก็คือทำกรรมชั่วในชาติที่แล้วแต่เขาเป็นคนรวยแต่มาชาติที่รวยอีกนี่แหละอันนี้คือคือผู้ละลึกชาติได้เป็นบางคนนะเป็นคนดิบแต่เขาระลึกชาติเกา่า กันนานๆไม่ได้เขาเลือกชาติได้เพียงที่สามสี่ห้าหกเจ็ดชาติเนี่ยเขาไม่ได้ลึกถึงชาติไกลๆได้เขาคนบอกเอ้าผมเกิดชาติที่แล้วนี่ยผมเป็นคนรวยแต่ผมทําตัวในอย่างสุดๆเลยแต่กลับเกิดมาชาตินี้ผมก็รวยอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนิสง์บาปอันนิสง์บุญที่เกือกุลหนูนนั้นมันยังไม่หมดคือชาติก่อนเนี่ย เราทําบุญเอาอไว้มากพอมาชาติที่แล้วก็ส่งไว้บุญชาตินั้นชาตินี้อีกก็ส่งไว้บุญชาตินั้นถึงจะทํากรรมชั่วก็จริงอยู่แต่ว่ากรรมชั่วด้นนั้นมันยังไม่ให้ผลมันยังจ้องอยู่ยงั้นเลยเนี่ยมันจ้องจ้องตะคบอยู่แต่เมื่อบุญกุศลที่ทํามาแล้วมันอ่อนกําลังเลยพราอ่อนอ่อนกําลังลงเท่านั้นแหละบาปอักุศลที่ทําไว้นะั้นเริ่มเล่นงานแล้วท่นะี่เล่นนานไปทีละน้อยหนักข้อขึอข้นเรื่อยๆอย่างนั้นเลย ถึงจะทําสร้างบุญสร้างกุศลมาเสริมมันก็ยังคั้มไม่อยู่นะเด็กเพราะทํากรรมมาหนักเนะี่ยผลที่สุดจนหมดน่ะหมดกรรมตัวเองกระทำน่ะบุญกุศลตัวอื่นยังเข้ามาช่วยอีกเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองท่านดูเห็นแล้วว่าสรพรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพราะกรรมกรรมคือการกระทรําเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมไม่ดีให้ทําแต่กรรมดีให้สร้างแต่บุญกุศลสิ่งไหนที่มาชั่วเสียหาย อย่าติทำทำไปแล้วมันจะเป็นกรรมตามสนองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้เราจะได้เรียนรู้เราจะได้รับรู้รับทราบว่าภะษาวกองนี้ท่านได้ทำกรรมอันไหนไว้ท่านได้สร้างบุญกุศลอันไหนไว้อย่างพระโมกคาลา ทำไมท่านจึงได้เป็นพระอั克拉สาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดพระภาษาลิบุตรก่อนพระษาลิบุตรเป็นลือศีอยู่ในป่าแต่พระโมกกลาเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในบ้านแต่เป็นเพื่อนกันแต่คนหนึ่งไปบําเพ็ญอยู่ในป่าพอลือศีได้กล่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประกาศว่าเนี่ยลูกศิษย์ของเราเป็นอัครสาวกข้างขวา ของเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านปัญญาแต่นี้พระลือศีนคิดถึงเศรษฐีที่เป็นเพื่อนกันอยู่ในเมืองเราต้องออกไปหาเพื่อนในเมืองว่ะก็เลยพาลือีกลุ่มหนึ่งไปก็ไปบอกเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราเป็นลือีอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ล้วนะได้ตรัสไว้เราเราปรารถนาเป็น พะระอครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเธอไม่เอาเป็นอครสวก ข, ข้างซ้ายเหรอเศรษฐีคนนี้พออกพอใจทันดีอยูงั้นโอ้ใช่ก็เลยกราบประรลาดนานิ่ยมนพระพุทธเจ้ามาฉันตั้งปลามใหญ่แตรงนั้นน่ะตั้งปลามใหญ่นิ่ยมนพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอรหันต์มาฉันพอฉันเสร็จแล้วกว็ฉันนั้งเจ็ดวันนะอตอนเช้ามาฉัน ชั้นทําบุญทําทานเต็มที่แล้วก็มาอีกชั้นอีกเจ็ดวันจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาเมื่อท่านพื้นีปรารถนาเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตสาวกข้างขวาข้าพเจ้าขอปรารถนาเป็นสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพร้อมกับท่านพื้ีนี่พระพุทธเจ้าก็ให้พรเอวังหตุ ขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จนี่อะไ่นะนนะคือความปรารถนาคือสรุปแล้วก็คือทําบุญทําทานซะก่อนจึงตั้งความปรารถนาแต่ตอนี้ท่านมาพูดเรื่องทําไมพระโมกขลาจึงถูกฆ่าทีนี่นะีอันนี้ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าพระโมกขราเนี่ยบำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดลุ่มๆ ร, ม ร, มรอนๆสุ้งๆตําำตำบางพบบางชาติก่อมีอารมณ์โมโหโกธาบางังแต่มาชาติหนึ่ง พ่อแม่เกิดมาตาบอดพ่ะโมกคลาลูกชายคนเดียวชาตินี้ท่านทํากล้ำหนักท่านได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยพอพอใจกับพ่อแม่ของท่านเท่าไหร่อจากนั้นท่านก็ให้แฟนของท่านดูแลพ่อแม่ตาบอดเพราะในสุขก็เลยภรรยาเนี่ยก็ยุให้สามีฆ่าพ่อแม่ของตัวเองพระโมกคลาก็ขาดการยังคิด ก็เลยได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัเองในชาตินั้นนั่นแหละบาปกรรมติดตามนําสนองพระโมกคลาถ้าหาว่าพระโมกคลายังไม่พ้นทุกในชาตินี้ชาติต่อไปอีกกรรมตัวนี้ก็คงยังไม่หมดนะนั่นแหะแต่แต่ชาตินี้เป็นชาติที่ว่าเป็นชาติที่ห้าร้อยหรือว่าชาติที่ร้อยหลวงพ่อจําไม่ชัดนะ่ะแต่พอมาชาตินี้ปัจพระโมคขาลาก็ถูกฆ่าแต่พวก พทธบริษัททั้งหลายก็มาโจดขานกันว่าทําไมพระโมกขลามีทั้งอิทธิฤทธิ์เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายอีกเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเป็นที่กราบไหว้ของพระสงฆ์และคณะชาติา ญ, ญาติโยมทําไมบ้านปลายชีวิตจึงมาถูกฆ่าอย่างนี้อันน้คนทั้งหลายโจดขานกันเอสงสัยกันทั้งหมดมากราบพูน พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดทุกอย่าง ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันท่านมองดูแล้วท่านก็บอกว่าพระโมคขลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้ในอดีตชาติเพราะตนเองได้กระทาไว้แล้วมันหนีไม่พน้นถึงจะไปอยู่ตรอกห้วยราวเขาไหนอยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ไใน อ, อยู่ในเมืองในกรุงขนาดไหนนี่แหละกรรมตัวนี้จะตามสนองอต้องได้ใช้กรรมทั้งหมด ที่ตนเองได้กระทําไว้พราะนี้เป็นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักพระสงฆ์ทั้ไหนายได้กราบทูลถามพระพระะรุทธองค์ว่าอธิบายให้ฟังบอกวันนี้พระโมคคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติมาชาตินี้เป็นชาติหนึ่งที่ถูกฆ่าแต่บัดนี้พระโมคคลาเป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าตัดกิเลสขาดแล้วกรรมทั้งหลายตามไม่ทันแล้วบัดนี้เหมือนกับ หมานี่เกิดมาพบไรชาใดเหมือนกับหมาไล่เนื้ออย่างนั้นอ่ะไล่ไล่ ไ, ลไล่แต่บัดนี้พระโมกคลาหมดกิเลสแล้วเหมือนกับขึ้นไปสู่ยานอาวกาศเออโลกโลกไม่ดึงดูดอีกแล้วเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันโลกไม่ดึงดูดพระโมกคลาเป็นพระอรหันต์กรรมทั้งหลายก็หาพระโมกคลาไม่เจอเออหาไปหาหมาไม่เจอผลี่สุดก็ นโโหสิกรรมกลัมให้ผลจาเร็จการว่ามันตามไม่ถึงเพราะเพราะโมฆะลาไม่เกิดอีกแล้วถ้าโมฆะลาเกิดอีกโมฆะลาจะต้องได้รับกลัมที่ตนเองได้กระทาที่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาไว้ท่านนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรีว่าอัคตังทุกตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุกตังกรัมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกลัมชั่วนั้น ย่อมให้ผลเป็นทุก์เมื่อภายหลังให้ผลสิ่งที่ไม่ดีเมื่อภายหลังให้ทําแต่กรรมดีถ้าใครทํากรรมดีแล้วกรรมดีน่าจะตามสนองไปเกิดพบภูมิใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่ละหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนท่านบอกท่านกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วคือท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดเเนี่อ ทำไมท่านจึงได้ตรัสอย่างนั้นครับเพราะพระองค์ได้พิสูจน์ดูแล้วและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเหยุคนี้สมัยนี้ที่ท่านไปไปปฏิบัติแบกกฎตะพายบาดไปหาภาวนาอยู่ตามภูผาป่าไม้อยู่ตามถาม้มตามเหวอยู่ตามป่าชงป่าชา้าที่สงบสงัดทางไกลจากคู่คนท่านไปภาวนาท่านไปทำไมนี่แหละท่านไปดูใจของท่านท่านไปพิสูจน์่นั้น พเพอไดเรียนทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปพิสูจน์ไปอยู่ในป่าถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนอดบ้างอิ่มบ้างบางทีบางวันไม่ได้อยู่ได้ฉันอีกต่างหากไปอยู่ในป่าขนาดกันดาร ล, ละท่านยังไม่ฉันอีกต่างหากไปบําเพ็ญในป่าไปดูใจภาวนาเพื่อดูใจจากนั้นใจของท่านรวมจิตใจของท่านาสงบจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งท่านรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกัน เมือกัพระพุทธเจ้าท่านแนะนาสั่งสอนในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกกายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนะกายแต่ตายสลายแน่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ใจคือนามธรรมนั้นไม่ตายจะต้องออกจากร่างนี้ไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกไปยึดที่อื่นอีกพอรถคันนี้พังเข้าไปแล้วก็ไปจองรถในอู่อีก พอจองรถที่อูอีกขับออกมาอีกมาใช้อีกพอมาใช้แล้วก็มันพังอีกมันหมดอายุของมันรถเนะี่อพอหมดอายุแล้วก็ไปขับเข้าไปในอูอีกไปขับออกมาอีกเพราะฉะนั้นให้เราดูให้สังเกตดูร่างกายเหมือนกับรถอ ต, ติดแจเหมือนคนกับรถแต่ร่างกายเนี่ยอมันชุดโทรมไปเรื่อยๆ ตาฝ้าตาฟาฟงฟันหลุดหนังเหี่ยวผมงอกอย่างนี้แต่กายมันเสียใจมหมมันไม่ได้เสียแต่ความรู้สึกมันเสียใจเสียใจคือเจ้าของรถนั่นนะเนี่แหละพอจกักรยานใช้ไปใช่มหหมดสภาพอีกพอหมดสภาพตายอีกตายไปขับรถอีกแต่ตัวเองพอขับรถออกมาจากอู่เท่านั้ น, นไม่ได้สนใจการทํามาค้าขายแบบนั้นะ พอขับรถออกมาจากอูกมีแต่เที่ยวสัมภเเทเมาย่างไในสนุกสนานทำหมดหาอยู่หากินกินเหล่าเมายาการพนองการพนันไม่มีการสวัสดิหาทรัพย์ไม่มีทุนพอขับรถ เ, เที่ยวตลอดตลอนตลอดไปตลอดไม่ได้ใส่ใจในการทำมาค้าขายพอรถคันนี้หมดสภาพนี่ไม่มีเงินในกระเป๋าแลยแต่ไม่มีเงินในกระเป๋ จะไปจองรถอีกคันอื่นก็จองไม่ได้เพราะเหตุไรมันหมดไม่มีเงินผลที่สุดก็มองไปมองมาไปเห็นท้องหมูหมากาไก่ก็ไปหาเกิดอะไปจองไปจองรถในท้องช้างบ้างท้องวัวท้องหมาท้องควายบ้างทงีมันไปได้ทั้งนั้นเพระพุทธเจ้าใช่ไหนั่นแะไปจองได้เพราะเหไรเพราะเขาไม่มีบุญถ้าเขามีบุญแล้วเขาจะไปจองสถานที่ดีๆพอ ออกจากชาตินี้เอ้ยชาตินี้พอแล้ววะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างไงอย่างไงถึงจะรวยขนาดไหนก็แก่เจ็บตายมันมีความทุกข์ไปพักผ่อนอยู่สวรรค์ซะก่อนวะไปอยู่สวรรค์ซะก่อนก็ไปสู่สวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะเรามีบุญไปสู่พรหมก็ได้จากนั้นจะค่อยลงมาเกิดอพอมาเกิดแล้วเลือกที่เกิดได้อีกต่างหากเพราะเรามีบุญเราจะไปเกิดที่ไหนวะเกิดชาตินีเ้เราจะไปเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาเราจะบวชใช่ไหม เรื่องจเรียนหนังสือ้ยหรือเราจะเป็นเศรษฐีหรือเราจะทํางานราชการหรือเราจะเป็นตํารวจทหารไปเลือกเกิดได้ทั้งนั้นอ่เพราะเหตุไรเพราะคนมีบุญถ้าคนไม่มีบุญอย่างบ้าน่ะาจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะเหตุไรเหมือนกับคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินไปอยู่ในประเทศก็ย่าแย่อยู่แล้วยังหาข้าวจะ ก, กอกหม้อก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีเงิน แล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวประเทศขเขมรได้ยังไงเประเทศพมา่ามาเลสได้ยังไงถ้าเราคนมีเงินน่ยไม่ต้องว่าเลยเลยไปญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันไปได้แต่คนมีเงินมากเลยไปรอบโลกก็ได้เลแต่คนมีมากจริงๆรเนี่ยมันไม่ใช่เหมาเครื่องบินเลซื้อเครื่องบินเลยก็ได้เป็นสนามบินสนามบิ น, ปนไปเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะคนมีเงินคนมีบุญก็เหมือนกันนะั่นแหละเพราะนั้นพวกเราจึง สมควรอย่างยิ่งควรจะสร้างบุญกุศลเขาสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนี่นะคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะไปเชื่อทีเดียวนะแต่อย่าปฏิเสธให้ฟังเอาไว้หลังจากนั้นก็ให้ไตรตรองหาเหตุผลจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยนั่นแหละท่นีจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่กับตัวเองท่านี้นนะ อนะพรอนอนุโมทนาให้พร